FM 89.5 MHz สเมรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี รักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ ร, รัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอเชิญทุกท่านร่วม ง, งานประชุมวิชาการและนิทรรศาการครั้งที่10ทรัพยากรไทยชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ปี2562ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2องณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศูนย์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 สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 8 9 5สิบเมกเนะครับเจอกันในวันศุกร์ที่11ตุลาคม2562วันนี้เจอกันกับคุณอทิตยาปักกาธานังและผมปียพงษ์เขตถวายครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะผมปียพงษ์สวัสดีครับคุณอทิตยาครับใช่แล้วเมื่อกี้คุยกันนะแม่ค ำ, ค, ำ, ค, ำคํำําคัญกันตลอ ด, ดบอกว่าเดี๋ยวเราจะเข้าตีมนะเมื่อสักครู่นี้เรามีสปอร์ตตัวใหม่คือต้องบอกว่าเวลาเรา <laughs> เราถ่ายทอดคลิป รายการเนี่ยก็ก็จะมีมีหลายรายการที่เราต้องบันทึกเทปร่วมกันอากาศร่วมกันอะไรเงี้ยก็ต้องบางทีก็จะไม่ได้นัดการแต่งตัวเริ่มแบบนี้ต้องนัดหรอฟรีสไตล์นะคือเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันฉีกโทนไงเดี๋ยวมันจะฉีกโทนไปมันก็จะดูแบบคุณผู้ฟังจะเบื่อไงถ้ามันสีเดียวนี่แต่ดูในกล้องก็พอได้นะ อ่าผมยังยังพอได้นะพอได้อยู่ฟ้าออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะนี่ดิฉันมาเพิ่มสีสันให้กับคุณนะเพียวพอเพราะว่านี่หนิคุณขาวมากเลยนะมันจะเดี๋ยวจะจืดไปนะฮะอ่าเมื่อวันพุธพี่ผ่านมานะครับูรัตยาเองก็ได้เข้าไปประชุมกับทางสํานักงานกสชใช่แล้วนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการรับผิดชอบในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเขาเรียกว่าเบื้องปลาย เรืองปลายก็คื อ, อในการเสด็จาทางชลมาใช่ค่ ะ, ะคคก็บรรยากาศก็ถือว่ามีเหล่าสื่อมวลชนผู้บรรยายนักข่าวเต็ไมไปหมดเลยโอ้หน้าตาก็คุ้นๆกันเลยหลายๆท่านเองนะคะคก็ไปร่วมกันในงานนี้แล้วก็ก็เป็นการพูดคุยเรื่องของความคืบหน้าอตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นะคะแน่นอนค่ะกองทัพเรือเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมงานแม่ ง, งานใหญ่ ในการที่จะมีเรื่องของฝีพายแหละเบื้องต้นนะคะแล้วก็เรื่องของอการที่จะต้องตั้งขบวนนะให้ใช้คําว่าขบวนนะคุณผู้ฟังขบวนพายุหายาตราธาชลมากนะคะก็เขาบอกแปดนาทีเบียพงศ์ อ, อสมมุติแล้เรามองภาพนะเรือทั้งหมดที่อยู่เที่ยวฝั่งสองฝั่งเนี่ยจะต้องเข้ามาในเส้นทางที่จะเป็นขบวนเนี่ยภายในเวลา8นาทีเป็นเรือไม่ใช่รถ ดิฉันว่ามันยากมากด้วยกระแสน้ำด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีขนาดใหญ่<ช>ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง ภาพประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับครั้งล่าสุดนี้ถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าเราเคยได้ชมภาพประวัติศาสตร์นี้ไหมนะคะถ้าเรียกว่าเป็นพิธีหลวงแบบนี้เนี่ย93าปีมาล้นะคะแต่ถ้าเรียกว่าเป็นเรื่องของการโชว์อย่างที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบชุดเต็มนะเวียพงก็จะเป็นช่วงของงานอาเซียนในปี25งพ้าสี่ตอนนั้นคุณก็ยังเรียนมสีอยู่นะดิฉันก็มสี่ ก็จะมีมีผ่านทีวีจำได้คราวจำได้ก็จะได้มีในในคราวสมัยของรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านได้เคยเสด็จพระชดำเนินนะครับทอดภาพระกถินใช่แล้วนะครับก็เราก็จะได้เห็นเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบัน นะครับแล้วก็เรือพระที่นั่งอีกไหลเขาเรียกว่าไ ห, หลายลลำน ะ, ะบางท่านอบอกว่าในดวงใจเนี่ยต้องเป็นเนี่ยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะ ม, มีมีมีเยอะมีหลายลำต้องบอกว่า ม, มีหลายลำเห็นความสวยงามแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นอาเอกลักษณ์แล้วก็อยู่ขาดไม่ได้นั่นคือการเหวี่เรือโอ้แน่นอนการเหวี่เรือเองเนี่ยถ้าใครไม่รู้จัวัดสมัยนี้ยังได้เรียนหรือเปล่า คุณเรียนเหรอเราเดี๋ยวด้เดียนได้เรียนได้เรียนคืออาจจะ ก, ก็จะเป็นเรียนในบทของการเรียนเ้าก็จะมีวิธีการว่าจะเหยียงไงแต่ว่า น, นี่คือเขาจะมีการประพันธ์ประพันธ์บทขึ้นมาใหม่ในแต่ละครั้งด้วยถูกต้องแล้วนะคะก็เดี๋ยว เชิติดตามนะครับก็เป็นพระราชพิธีที่สําคัญที่อยากให้ผู้ชมชาวไทยได้ติดตามการถ่ายทอดทั้งภาพแล้วก็ถ่ายทอดเสียงซึ่งทางสื่อของเราก็จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงให้กับผู้ฟังได้ติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับอะมาที่เรื่องราวนี้ต้องบอกว่าคุณจะไปดูหรือยังจะไปดูคือปกติแล้วเขาบอกว่าอ๋อมันเป็นภาพยนตร์ดังเขาก็เลยฟิกที่นั่งให้กับสื่อมวลชนอซึ่งเราก็ ด้วยด้วยด้วยระยะเวลาคือเขาเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นแล้วก็ติดภารกิจก็เลย พลาดจากการไปรอบสื่อมวลชนในรอบพรีเมียร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทีเนี้ยของมิยาพง์ต้องบอกว่าคิดกันสักนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าภาพยนตร์ไม่ดีนะแต่ว่าทําดีมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะมีผลกับเรื่องของอารมณ์ของผู้ฟังก็ได้ของผู้ชมก็ได้นะคะมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะคือเรื่องนี้ที่เราพูดถึงคือเรื่องภาพยนตร์โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์นี่เป็นตัวตลกแต่หลายคนคือผมเองแล้วก็มองว่าเป็นหนังที่น่าจะเป็นเรื่องตลกนะถ้าเกิดว่ามิยาพง์เคยดูแบทแมน นะใครใครที่เคยดูแบทแมนก็จะเห็นว่าจะมีตัวรายเือเป็นโจเกอร์จะยิ้มตลอดเวลาหัวเราะตลอดเวลาใช่แต่ว่าเรื่องนี้เหมือนกับว่าเป็นโฟกัสชีวิตของโจเกอร์โดยตรงเอาตัวตัวละครเรื่องนี้มาเล่ามาเล่าเป็นภาพยนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เองหลายคนคงได้ติดตามแล้วก็มีรีวิวกันละว่าเรื่องนี้มันไม่ได้สนุกมันไม่ได้สนุกมันจกอย่างที่เราคาดหวังไว้เพราะมันมีหลายอย่างที่ สื่อออกมาตอนนี้เองนะคะหน่วยงานที่ดูแลอีกเรื่องหนึ่งทางด้านของกรมสุขภาพจิตเห็นว่าการจะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะโจกเกอร์เองเนี่ยและเด็กต่ำกว่า17ปีจะต้องมีพระชะอาผู้ปกครองไปด้วยน ะ, ะเพราะว่ามันมีเรื่องของความรุนแรงระดับสูง ความเศร้าความหดหูแล้วก็อาจจะกระทบภาวะจิตใจได้อเรื่องราวนี้นะคะกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้โพสต์แฟนเพจเฟซบุ o กค่ะเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องโจเกอร์นะคะซึ่งตอนนี้นกําลังเป็นกระแสนในโลกโซเชียลเลยมีการเตือนว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ควรจะเข้าชมเนื่องมาจากว่าจะทําให้มีอาการดาวแล้วก็หดหูนะคะซึ่งกรมสุขภาพจิตนั้นระบุว่าวาคีนฟินิกส์ผู้ที่รับบทนะคะเป็นอาร์เธอร์เฟล็กหรือว่าโจเกอร์ในเรื่องเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยทำกันบ้านหนัง เพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของโจเกอร์บนจอภาพยนต์ให้สมบูบาทมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาวิธีการหัวเราะแบบโจเกอร์ซึ่งวิธีการหัวเราะแบบโจเกอร์นี้นะคะผู้ฟังคะเป็นการหัวเราะของผู้ป่วยที่มีอาการเรียกกันว่าซูโดบันบาเอฟเฟกหรือ PBA นะคะซูดูพันบาเอฟเฟกต์รหรือว่า PBA เนี่ยเป็นภาวะที่ควบคุมการหัวเราะไม่ได้ผู้ป่วยค่ะก็จะมีลักษณะของอ า, อาการร้องไห้หรือว่าหัวเราะโดยที่ไม่มีไม่สามารถควบคุมอาการเหล่านั้นได้เลยนะคะอาจจะเป็นการแสดงอารมณ์ออกมาในแบบสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมโดยที่ผู้ป่วยนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมการแสดงอารมณ์ตัวเองได้เช่นมีเรื่องเศร้าแต่หัวเราะนะคะ เรื่องตลกแต่ร้องไห้นะคะหัวเราะหรือว่าร้องไห้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าภายในใจนั้นอาจจะมีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับการกระทําที่แสดงออกนะคะจึงทําให้ดูเหมือนกับว่าเป็นคนแปลกแยกในสังคมและอาจทําให้หลายคนเข้าใจผิดได้รวมถึงการแสดงอารมณ์ที่มากเกินกว่าที่คนปกติทั่วไปทําและการที่เปลี่ยนอารมณ์จากร้องไห้ไปหัวเราะหรือหัวเราะดีๆก็ไปร้องไห้ก็มีเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะอาการนี้ก็ยังพบนะคะก็จะมีอาการกล้ามเนื้อบนใบหน้าอ่อนแรงจนไม่สามารถควบ การทํางานของอวัวะบนใบหน้าได้เช่นมีอาการน้ํำลายไหลนะคะแลบลิ้นไม่ได้หรือว่ามีอาการสําลักอาหารค่ะคือเหตุการณ์แบบนี้เองเนี่ยที่มาที่ไปของการเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ค่ะทางกรมสุขภาพจิตเองก็เลยออกมาบุกระบุว่าภาพยนตร์เรื่องโจเกอร์ที่กําลังฉายในตอนนี้เองเนี่ยเขามีการจัดเรตติ้งอยู่ในระดับ R คือหมายมความว่าเด็กและเยาวชนที่อายตุต่ำกว่า17ปีที่เข้าไปชมเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองไปดูด้วยนะไปให้คําแนะนําเนื่องจากาภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันมีความรุนแรงระดับสูงภาษาที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงความเศรา้าความหดหู่และสถานการณ์ที่อาจกระทบภาวะทางจิตใจได้คือในการรับชมสื่อที่ประกอบไปด้วยความรุนแรงทุกประเภทควรตรวจสอบสภาพจิตใจของตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดว่ามีความพ ร, ร้อมในการรับเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือไม่ โดยถ้าสามารถหลีกเลี่ยงไปก่อนหากไม่มีความพร้อมในขณะนี้และสามารถพบบุคลากรด้านสุขภาพจิตใกล้บ้านหรือติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323หากได้รับผลกระทบจากการรับชมดักล่าวคือถ้าไปเจอเนอะมันก็จะมีผลกระทบตามมาทั้งนี้ข้อมูลจากชาวอเมริกันกว่าล้านคนเ้ามีอาการนี้นะ PBA เนี่ย ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดก็ใช้วิธีการรักษาตามอาการเพื่อ ค, ความลดความรุนแรงและก็ความถี่ที่จะเกิดขึ้นส่วนไทยก็ไม่แน่ชัดและไม่มีตัวเลขที่ระบุเลยว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่มากน้อยขนาดไหนในบ้านเราใช่แล้วค่ะก็บางท่านอาจจะเห็นก็จะหมายว่าเป็นอาการสุขภาพจิต ด, ด้านจิต น, นะค ะ, คะแต่ว่า อ่ะจ้าอาการนี้นะที่บอกก็คือซูโดบันบาเอฟเฟกเนี่ยนะคะก็คืออาการที่ควบคุมการหัวเราะหรือว่าร้องไห้ไม่ได้นะคะก็ใครที่จะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะต้องมีการแบบเผื่อใจสักนิดหนึ่งถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะรับเรื่องราวที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะสื่อหรือเปล่าเพราะว่ามีคนรู้จักดีฉันก็ไปดูพิภพงบอกว่าโอ้เครียดมากคุณดูยังยังใช่ไหมเดียวฉันกลัวดีฉันจะไปเครียดเลยค่ะคือจริงจริบอกถ้าเครียดมากเรไม่ค่อยดูเรื่องแบบฆาตกรรมเรื่องแบบ ลบเนี่ยผมที่บ้านเนี่ยหือเลยนะไม่เอาผมจะชอบดูเป็นแฟนตาซีเป็นหนังผ่อนคลายอยู่บางทีก็ดูได้แบบแนวถ้าจะดูก็ Harry Potter สนุกๆ หรือว่าเป็นแนวแบบแฟนตาสติกอะไรอย่างเงี้ยเราได้ก็พอดูได้นะคือเรียกว่าความเครียดอะอะไรทั้งหลายท่านบอกว่าความเครียดในชีวิตประจําวันเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการรู้พยนตร์บางครั้งเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าหาความบันเทิงเข้ามาสู่จิตใจของเรานะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะใครจะไปดูก็เตรียมเผื่อเตรียมใจกันไว้ด้วยแล้วก็อาจจะมารีวิวกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาติดตามอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้ชิมช็อปใช้นะคะมีผลสํารวจหลายที่ออกมาด้วยกันแต่ว่าดิฉันนําผลสํารวจจากกรุงเทพโพตอนนี้เนี่ยเขารวจชชชิม้อใ คนไทย 34. มซที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะเลือกใช้เงินในภาคอีสานสูงสุดความเห็นเกินครึ่งเขาบอกว่าต้องการให้ขยายมาตรการและเห็นว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกได้ค่ะคือมาตรการนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามเป้าหมายแล้วนะครับทางกรุงเทพโพลของทางศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเองก็ได้ดำเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องความเห็นของประชาชนต่อมาตรการชิมชอบใช้เก็บข้อมูลกับประชาชนทุกภูมิภาค ทุกพิมากคือทุกพื้นที่แต่เอาสัดส่วนออกมา อ, อยู่<ช>ที่1ันหนึ่งคนเป็นตัวอย่างของประชากรนี่ที่เขามีการคำนวณออกมา<ช>แล้ว ผลที่มีการสรุปมีการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ฮะ 65. 3ไม่ได้เข้าร่วมลงทะเบียนทีมช้อปใช้ขณะที่ 34.7 เขาบอกว่าได้ร่วมลงทะเบียนนะครับ<ะ>ประชาชนที่ลงทะเบียนใน 65.3 นี้เขาบอกว่าอย่างไรส่วนใหญ่ 64.5 สามารถลงทะเบียนได้<ะ>ขณะที่ 35.5 ไม่สามารถลงทะเบียนได้<ะ>โดยในจำนวนนี้ระไรละ 14.7 ให้เหตุผลว่าต้องรอคิวอรองลงมาคือ13ให้ ผลว่าครบ1ล้านคนต่อวันแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าการลงมาลงแต่เที่ยงคืนวันนี้ว่างจะลงอ่ะพออีกวันหนึ่งไม่ว่างแล้วเพี่ยงงงคือมันนอนดึกบางทีต้องทักกนนะฮะ 9.5 บอลงไปแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ยังไงบ้างเพราะมันมีหลายเงื่อนไขนะใช่ค่ะอาจจะเป็น อัปรูปไม่ผ่านหรือเปล่ามันตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราไปเลือกในพื้นที่ภูมิลําเนาอันนี้ก็ไม่ผ่านการกรอกข้อมูลหลังบัตรจากศูนย์เป็นโอก็ไม่ไม่ผ่านอีกเหมือนกันยืนยันตัวตนบางคนบอกไม่ผ่านไม่ทําอะไรต่อละบางท่านนี่เขาบอกว่าบัตรประชาชนเนี่ยเป็นแบบเก่าครับ ใช่ม ม, ม, ม่เลขรหัสข้างหลังมันไม่ได้ครับต้องไปทำใหม่นะคะโดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้นะคะเขาว่ากันว่ามีการสํารวจนะคะก็มีการใช้เงินในภาคอีสานในมากที่สุดนะคะร้อยละ 17.7 เรองลงมาก็คือภาคกลางนะคะร้อยละ 16.2 และภาคเหนือค่ะร้อยละ 15.5 ส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้เหตุผลที่เลือกจังหวัดไปใช้เงินมาตรการชิมช็อปใช้เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้หมายมมถึงว่ า, าอาจจะอยู่ใกลก้การเหมือนอกรุงเทพไปปทุมธานีกรุงเทพไปสมุทรปราการอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบ ใกล้พื้นที่ไปซื้อได้นะค ะ, ะแล้วก็รลงมาก็คือจังหวัดที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะคะร้อยละ 22.6 และเป็นจังหวัดที่ทํางานอยู่ก็คิดเป็นร้อยละ 18.5 ค่ะทั้งนี้เมื่อถามว่าจะนําเงินที่ได้นไปจ่ายเรื่องใดนะคะร้อยละเ1 4บอกว่าไปซื้อของใช้เข้าบ้านนะคะรลงมาร้อยละ5้าจะนําไปใช้ซื้อของกินไปร้านอาหารและร้อยละ 10.3 ค่ะจะนําไปใช้เป็นค่าโรงแรมแล้วก็ค่าที่พักค่ะอ้าวเมื่อถามถึงความเห็นต่อมาตรการนี้ทําให้ตัวเราเองครอบครัว สามารถไปเที่ยวไปชิมชอบใช้ใช้เงินได้คล่องตัวมากน้อยเพียงใดส่วนใหญ่นะฮะ 65.6 เห็นว่าช่วยในการใช้คล่องตัวขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดขณะที่ 34.4 เห็นว่ายังน้อยอยู่นะยังยังอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอยู่แต่ถ้าถามว่าถ้าให้ภาครัฐเองขยายหรือเพิ่มจำนวนมาตรการนี้ส่วนใหญ่ 55.7 บอกว่าก็อยากให้เพิ่มนะเพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 44.3 บอกว่าไม่ต้องเพิ่มล เราคิดว่าไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของภาษีจากประชาชนอาจจะเป็นในส่วนน้อยถึงน้อยที่สุดด้วยหรือเปล่าใน ค, ความเห็นนี้นะคะส่วนความเห็นต่อมาตรการชิมชอบใช้นะคะจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวช่วงปลายปีได้มากน้อยเพียงใดนะคะส่วนใหญ่ความเห็นของประชาชนที่สํารวจมานะคะ 53.1 เนี่ยบอกว่าจะช่วยกระตุ้นให้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดนะคะขณะที่รัฐ 46.9 เนี่ยบอกว่าจะช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดสุดท้ายค่ะคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ถ้าหากว่าภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้อีกในปีหน้านะ ส่วนใหญ่รอล5ห้บอกว่าเห็นด้วยขณะที่รอละสี่ไม่เห็นด้วยและรอละเกบอกว่าไม่แน่ใจคะ่ะอ้าวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอุตมสาวนายนก็พูดถึงมาตรการชิมชอบใช้เฟดสอนะฮะใช่แล้วคุณที่ว่าจะมีการสั่งการให้เพิ่มนะฮ ะ, ะว่าเห็นผลตอบรับยังเป็นอย่างดีสั่งไปที่สอสอคอครับและก็ธนาคารกรุงไทยไปพิจารณาถึงการจะทํามาตรการชิมชอบใช้เฟดสองแล้วก็ให้เสนอที่ประชุมครมภายในเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยว มาดูว่าจะเป็นอย่างไระนะะขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังพิจารณาในรายละเอียดมาตรการชิมชอบใช้เฟส2เพื่อมีความเป็นไปได้เพิ่มนะะในส่วนของ<ค>กระเป๋า แ, แคชแบ๊กนะฮะกระเป๋าที่2คือจาก G-wallet ที่ได้ 1,000 บาท และกระเป๋าที่สองที่เราต้องเติมเงินเข้าไปแล้วก็ต้องไปใช้จ่ายสูงสุด 30,000 นะบาทคืนเงิน 4,500 บาทถ้ามาตรการนี้ก็บอกว่าถ้าเพิ่มกว่า น, นี้จะได้ไหมอันนี้กำลังไปคิดอยู่อาจจะเป็นสักสิบเก็ต้องดูก่อนหรืออาจจะต้องมีการแบบกระตุ้นให้สูงขึ้นหรือเปล่ามีขยานขยายวงเงินให้สูงขึ้นอันนี้ก็ไป กำลังไปคิดอยู่เพราะว่าอยากให้มีการไปใช้ใจ่ายในเมืองรองมากขึ้นรวมไปถึงจะได้มีสิทธิ์ในการพิจารณาใช้ลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าด้วยทั้งหมดนี้ก็รอการพิจารณาจากทางคอรมอละมอมนะครับนอกจากนี้นะคะรูปแบบการลงทะเบียนมาตรการระยะ2นี้อาจจะไม่ต้องทางตารอกลางคืนแล้วเบี้ยวพงเพราะจะมีการปรับปรุงใหม่นะคะให้มีความเหมาะสมกับทุกกลุ่มวัยมากขึ้นเช่นปรับเวลาการลงทะเบียนเป็นช่วงกลางวันนะคะจากเดิมเนี่เริ่มลงทะเบียนในช่วงของเที่ยงคืน1นนาทีนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องมารอลงทะเบียน ในช่วงดึกเกินไปและเพื่อความเป็นธรรมกับทุกคนด้วยนะคะส่วนงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นเดียวกันค่ ะ, ะก็เราติดตามนะครับใครที่ได้อยู่ก็ไปใช้อะไรผมก็ถามหลายท่านบอกว่าไปซื้ออะไรเขาบอกไปซื้อพัดล ม, มอดีดีดีดีใช่หมเรื่องของอาหารการกินเราซื้อได้แต่บางที เครื่องพัดลมกระทบไฟฟ้าบางอย่างส่วนใหญ่เขาจะซื้อของใช้ที่บอกนั่นแหละของใช้เหมือนเป็นสิ้นเดือนไปเลยบางคนก็ซื้อเป็นข้าวสารอ่าใช่ค่ะเพื่อไปตุนไว้นะฮะเอาเราต่อเลยนะฮะเราไม่เบรกเลยนะฮะไปกันที่หนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้นะครับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย เจ็บไข้ได้ป่วยของคนก็ยังว่าอยู่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์นั่นเองอต้องขอพูดย้อนก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องราวนี้กันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีข่าวในเรื่องของช้างใช่มครับอันนั้นก็ทําให้สะเทือนใจคนไทยเหมือนกันคือจากเดิมเนี่ยเรามีการได้รับรายงานเบื้องต้นว่ามี5้าห้าตัวใช่แล้วก็มีการบินโดรนสารวจอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าพบอีก6ตัวเป็น11ตั ว, ตวคือต้องหลายท่านบอกว่าทําไมไม่เรียกคําว่าเชือก ทำไมไม่เรียกคําว่าช้างหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นช้างป่าลักษณะนามจะใช้คําว่าตัวใช่ค่ะอ่านะคะแต่ถ้าเป็นช้างเลี้ยงช้างบ้านจะใช้คําว่าเชื่อใช่แล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นความสะเทือนใจนะและตอนนี้ก็กําลังเร่งที่จะมีการปรับปรุงในเรื่องของน้ําตกเนี่ยนะคะก็จะต้องทําที่กั้นไม่ให้ช้างตกไปอีกคือที่เรามองว่าเป็นเป็นเรื่องของธรรมชาตินะแต่จริงๆมันก็ไม่ควรเกิดนะคะสองตัวก็รอดด้วยความที่ว่า คนเขามีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้นการที่เราไปเห็นวิถีชีวิตหรือว่าวิถีวัฒจักของธรรมชาติมันก็เลยเกิดความแต่มันก็สะเทือนใจว่าในเมื่อมันสามารถป้องกันได้เนี่ยมันก็ควรจะต้องทำใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า มันไม่ได้เปิดเป็นพื้นที่ไปเที่ยวนะก็ไม่มีคนทราบเรื่องนี้จริงๆนะคะแต่ว่าในอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะนั่นก็คือแพนด้าช่วงๆนะคะที่ตายไปแล้วก็ตอนแรกเนี่ยบอกว่างงมากเลยคนเลี้ยงบอกว่าเลี้ยงมาอย่างดีแต่ปรากฏว่าวันที่ตายเนี่ยอยู่ๆก็ล้มลงไปแล้วก็ตายลเลยเบียบพงบนะคะคล่าสุดข่ะแพทย์นะคะทั้งฝ่ายจีนแล้วก็ไทยเองได้เผยสาเหตุของช่วงๆนะคะตายเพราะว่าหัวใจล้มเหลวค่ะซึ่งทําให้ไทยนั้นต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับจีน15ล้านบาทค่ ะ, ะก็คือเป็น ความคืบหน้าอย่างชัดเจนแล้วนะครับทางสวนสัตว์เชียงใหม่เองมีการออกแถลงการนะครับผู้ฟังครับถึงสาเหตุขอการเสียชีวิตของช่วงชๆโดยมีการแถลงการนะครับระบุว่ามีแพนด้าเพศผู้ที่ชื่อช่วงช่วงที่อยู่ในไทยที่มีเสียมีการเสียชีวิตเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาทางาสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมายัางไทยอย่างเร่งด่วนก็มีการสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยทันทีมีการพาชนาสูตรและก็วินิจฉัยโรคจากผู้เชี่ยวชาญไทยจีนเพราะว่าภาวะโภชนาการของหมีแพนด้าเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ดีนะมไม่พบบาดแผลภายในไม่พบสิ่งแปลกปลอมในหลอดลมสาเหตุของการเสียชีวิตมาจากหัวใจล้มเหลวส่งผลให้อวัยวะภายในร่างกายขาดออกซิเจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตลำดับต่อไปทั้งฝ่ายไทยและก็จีนก็จะดำเนินการในเรื่องของ เรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะตามมาด้วยสําหรับแพนด้านี้นะคะเป็นความตกลงระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะทั้งนี้ค่ะฝ่ายไทยเองก็จะต้องมีการดําเนินการชดเชยนะคะสำหรับการเสียชีวิตของหมีแพนด้าช่วงๆโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันค่ะจะดําเนินการดูแลหมีแพนด้าหลินหุยให้ดีที่สุดต่อไปนะคะโดยค่าเสียหายที่ฝ่ายไทยต้องจ่ายกับฝ่ายจีนตามสัญญานะค ะ, คะที่ตกลงกันไว้ก็คือ15ล้านบาทซึ่งช่วงช่วงเองในทางประกันชีวิต เอาไว้แล้วนะคะและทางบริษัทประกันชีวิตก็ได้จ่ายเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะก็เป็นการดูแลนะฮะมันเรื่องเป็นเรื่องของสัญญาแล้วก็การดูแลนะครับเหมือนท่านถามว่าต้องจ่ายด้วยเหรอสิ้าล้านบาทเป็นข้อตกลงเป็นข้อตกลงไปเป็นเงื่อนไขเพราะว่าความจริงเขาบอกว่าแพนด้าเนี่ยอยู่ได้นานมากคุณพงษ์เกปีเลยแต่แต่ด้วยเหมือนเขาเรียกว่าเชื้อสายของเขาเนี่ยก็ชราแล้วก็จะอายุประมาณเท่านี้แต่ด้วย การที่ข้อตกลงเงื่อนไขเพราะว่าอีเวอยู่บ้านดาวอีกไม่กี่ปีนะถ้าจะไม่ผิดว่าสัก3าปีก็จะได้ถูกส่งตัวกลับส่ตัวกลแต่ว่าก็แมาเสียชีวิตลงไปก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็ใครที่มีโอกาสก็อาจจะได้เข้าไป สาดปาดไปเยี่ยมนะฮะเรื่องราวต่างๆกันได้ไป็นกาลังใจกับทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของส่วนสัตว์ด้เจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงก็สงสารอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเลี้ยงมาแบบเป็น10ปีตั้งแต่ที่มาอยู่ครับก็รู้สึกว่าดูแลเหมือนเป็นลูกเลยแหละนะร้องไห้กันออกทีวีก็มีความผูกพันนะคะเอาอีกหนึ่งเรื่องราวของบิวโภคมากันชื่อเรื่องราวของการพนันในบ้านเรากันบ้างใช่แล้วนะครับอีกมิก คือการพนันเองเรามองว่าเอ้ยเดี๋ยวเป็นเทศกาลเป็นฤดูกาลการแข่งขันต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดได้ทุกสถานการณ์จริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราเองเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นการตามแผงต่างๆนัก็คือการพนันก็คือการพนันใช่ค่ะอ่าไม่มีการพนันไหมพนันกันไหมล่ะเนี่ยมันก็จะมีประโยคนี้เกิดขึ้นมาถูกไหมคุณคิดอย่างนั้นไหมล่ะคุณพนันอย่างฉันไหมล่ะอ่ามันก็จะมีประโยชองการพนันขึ้นมาผู้ปัญหาเขาบอกศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันมีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการสํารวจ พบคนไทยเกินครึ่งเขาบอกว่าเล่นพ น, นันตอนนี้ก็กังวงผู้สูงวัยนะคะเป็นนักพนันหน้าใหม่ตอนนี้คื อ, อจากเดิมเนี่ยเราเป็ห่วงเด็กที่จะเข้าสู่การเป็นนักพนันตอนนี้ห่วงผู้สูงอายุที่จะเป็นนักพนันตอนนี้พุ่งไปถึง42แล้วคุณไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุกําลังมาหรือเปล่าหรือเขาอาจจะหากิจกรรมทําใช่แล้วนะคะก็มันว่างเว้นเหลือเกินนะคะในการประชุมวิชาการของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันปี2562นะคะในหัวข้อสังคมเท่า การพนันไม่ล้ำเส้นเสี่ยงซึ่งมีการร่วมจัดโดยศูนย์ปัญหาศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันหรือว่า o c g s นะคะขออภัยด้วยนะคะมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสรวมถึงภาคีเครือข่ายนะคะคุณนวลน้อยตรีรัตน์ค่ะผู้ในการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันบอกว่ามีการศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบของการพนันในประเทศไทย ในช่วงเดือนของอปีสองนาร้อยหกนะคะเก็บข้อมูลประชาชนทั่วไปนะคะเจจังหวัด15ปีขึ้นไปรวมทั้งหมด4 4่5 0ตัวอย่างด้วยกันในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมของปีนี้พบว่านะคะคนไทยนะในปีนี้เล่นกับพนันค่ะประมาณ 30.42 ล้านคนหรือ 57% เมื่อเทียบกับปี2560นะคะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.49 ล้านคนเลยค่ะจํานวนนี้เป็นนักพนันหน้าใหม่อยู่ที่ 700,000 กว่าคนค่ ะ, ะเดี๋ยวราคามาที่ นี่กันเลยนะฮะเรื่องของกาพนันยอดนิยม <Ừ. S 1> นะฮะเรามาดูกันซิว่าจากศูนย์ที่ศึกษาเรื่องของกาพัน ปัญหาการพนันเนี่ยเขามีตัวเลขอะไรกันบ้างเขาจัดอันดับว่าอย่างไรจากปีที่เป็นผ่านมาเขาบอกว่าตลาดกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละมีคนเล่น 22.74 ล้านคนหรือ 42.7% เงินหมุนเวียนในการตลาดการพนันอยู่ที่แส0ห0 0่นกว่าล้านบาทโดยเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี4 7 0 0 0 0็่นกว่าคน หวยใต้ดินล่ะฮะมันจะหายจากบ้านเราไหมเขาไปการไปสำรวจแล้วก็ยังพบว่าคนไทยยังเล่นหวยพนันใต้ดินกันอยู่ 17.73 ล้านคนหรือ 33.3% เงินหมุนเวียนในตลาดของพนันใต้ดินเนี่ยนะฮะโอ้โหนองบิวพง์แสนห0 0 0กว่าล้านบาทโดย 73.6% เนี่ยคนที่เล่นหวยใต้ดินเนี่ยประมาณ 13.5 ล้านคนเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลคคู่ไปด้วย คือใต้ดินด้วยสลงทหาเลขไม่ได้หลายคนบอกหาเลขไม่ได้เพื่อเพื่อความเสี่ยงแบบโทรไปแล้วกันเจ้ามือยังรับอยู่ไหมอ่าอะไรอย่างเงี้ยป้องกันความเสี่ยงกันไปอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นฤดูการพนันผลไทยฟุตบอลคนไทยเล่นพนันผลไทยฟุตบอลอยู่ 3.64 ล้านคนคิดเป็น 6.49 นะฮะแล้วก็มีเงินหมุนเวียนในตลาดนี้ที่ประมาณ 160,000 กว่าล้านบาทเยาวชน 18-25 ปีอยู่ที่ 800,000 กว่าคน นักพนันทายผลฟุตบอลหน้าใหม่2ล้านกว่าคนจำนวนเงินและก็ความถี่ซึ่งพบว่ามีการเล่นเฉลี่ยต่อสัปดาห์5้าร้อยห้าสิบปาทนะฮะอันนี้คือเขาไล่ตามลำดับมานะห้าร้อยกว่าบาท700แล้วก็ห้าร้อยกว่าบาทอันนี้คือเขาไล่สเต็ปกันมาแล้วก็สูงสุดต่อสัปดาห์คือส0 0 0มื0 0 0นี่เขาเขาไล่ไกันมาสหน้าใหม่น ะ, น ะ, ะเล่นน้อยความถี่เนี่ยคือสเดือน5เดือน นะครับสูงสุดอยู่ที่30ครั้ง30ครั้งและ10ครั้งอันนี้หน้าใหม่นะครับ10ครั้งต่อต่อเดือนออนะคะอันดับ4ี่ค่ะพนันในบอนนะคะคนไทยค่ะเล่นพนันในบอนค่ะ 4.98 ล้านคนนะคะเกวงเงินหมุนเวียนในตลาดการพนันนะคะอยู่ที่1น่งห0แสน 1ล้าน2แสนสหมื่นกว่าล้านบาทนะคะลักษณะบอนที่เล่นหลายคนบอกว่าบอนเขาไปเล่นกันตรงไหนบ้างเบียพงบ่บอนตามบ้านบอนวิง่งบอนงานศพะนะคะเซพ 97.2% เลยค่ะบอนท้าวนในประเทศเพียงแค่ 1.2% เท่านั้นโดยประเภทการพนันที่เล่นในบอนนะคะก็คือเกมไพ่นะผสมสิบ เสือมังกรออไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคะนนไม่รู้จักนะคะออนะคะไฮโลโปปันน้ำเต้าหู้ปูปลา 43.5% บาคาร่าป๊กเด้ง 40.3% และสุดท้ายคือพนันออนไลน์ค่ะคนไทยเล่นนะคะอยู่ที่ 826,925 คนคิดเป็น 1.55% นะคะมีนักพนันออนไลน์หน้าใหม่อยู่ที่ 90,000 กว่าคนเลยค่ะโดยช่องทางที่ใช้ในการเล่นพนันออนไลน์โทรศัพท์มือถือนะคะเข้าลิกเดจุดหนะะึ่งเอร์เซ็นต์กดเขลิกเด 6.3% แท็บเลต็ต 4.2% วงเงินหมุนเวียนจากในเรื่องของการพนันออนไลน์นะอยู่ที่ 20,000 กว่าล้านบาทนะคะและเหตุผลที่เล่นเขาบอกว่าสะดวกนะง่ายเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา 93.7% นะคะฝากถอนเงินจากระบบรวดเร็ว 39.3% และเพื่อนชวนให้ไปเล่น 33.7% คะ่ะก็เรื่องราวนี้ก็มีการพูดถึงนะฮะเขาก็มีการบอกว่า อยากให้ภาครัฐเองและก็สลากกิ น, นะะแบ่งรัฐบาเองลดสัดส่วนเรื่องของสลากลงบ้างตอนนี้สลากเองก็ออกมาประมาณร้อยกว่าล้านบาใบ<ช>ท่า น, นี้ที่สำคัญนะฮะเป็นการลดหวยใต้ดินไม่ได้เป็นการลดหวยใต้ดินนะแต่กลับยี่เป็นการส่งเสริมให้ซื้อการไขามากยิ่งขึ้นด้วยรัฐบาลคิดจะทำพาันธานให้ถูกต้องตาม ก, กฎหมายคงต้องทํางานหนักและก็คงคุยกันกับประชาชนมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราเห็นว่า สากกินรัฐบาลจับคู่กันแบบมีหัวหัวมุมกันแบบ2ใบ3ใบหาใบส่วนใหญ่จะเหลือถ้า2ใบ2ใบอะไรอย่างเงี้ยพี่โบงใครที่เคยซื้อแบบมากขึ้นอ่ะนะจาก80ดเป็นหนึ่้ออานะฮะอ้าวก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะฮะก็ก็อีกมุมหนึ่งที่เข้ามาสะท้อนมันเป็นเรื่องของเรื่องของการพนันเขาบอกว่าอ้าวก็ซื้อจากรัฐบาลแต่ก็เรียกว่าการพนันเหมือนกันนะฮะใช่แล้วเรื่องราวในวันนี้นะครับกับ กรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะฮะเดี๋ยววันอังคารนะเดี๋ยวทีมงานของเราจะลงพื้นที่ที่คลองศิษนะครับไปมอบของให้กับทางผู้ป่วยและก็ทางโรงพยาบาลด้วยต้อง<ช>รอติดตามข่าวสารกันนะคะจะมีการอัปเดตที่หน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กราชมงคลทัญบุรีนะคะสำนวนวันนี้ค่ะดิฉันอาทิตยาปกระทานางและคุณปิยวงเคนถวายต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ